ส็เมือน่ันกหม่อนกใครเข้าซุปมี่รุกนปนมีปมป่วยปมเจ็บปมป่วยอยู่ประจำแน่คนลงคนก็มีหลายโรคบ่วปุญญาปุนิ่งปุ่นิ่งซุกซ่ากระจอกกรูงอุบาทว์กวนิการมันมีป่วยมีไข้ประจำอยู่โดยตลอด อ า, าเรื่อคือการใส่รู้จักเป็นหลายเป็นหลายคืนแต่ลึกๆก็ป่ ว, วยมันม่นมีอาการเรื่องตันทำร่างจะคล้องบบเป็นหยังเนี่ยไเลยเขาเด็กกลิดแล้วว่าจะคล้องป่วยแต่แล้วหน้าบุญจะพักเนี่ยพูติเจ้าคนว่าเรามีข้อมป่วยเป็นธรรมดาจเจ็บใครจะป่วยเป็นธรรมดา ตซ่อมมคือขัดนี่ยข่งมันก็มีควมจริงอย่างเเบาๆแบบนะีม้นมีควมจริงนี่แห่ะคำว่าเป็นธรรมดามไม่คว่าทุกทุกขนาดเนียเห็นเด๋สั่นอยู่เป็นธรรมดาอยู่เรื่อยทีกจังบ้านขึ้นเรือขี่่แล้วที่มันพางไปมันางไปอยู่เรือ่อยๆนี่แหะมันเป็นธรรมดาธรรมดาอยู่จนท้อมีอ้อมแย่เป็นธรรมดา แกคือเขาคือพ้อมเขามีส้มแกึ้มเผ่าอยู่เรื่อยเอยนเป็นพระาอยู่ต่างแกเหมือ น, นไปว่าลากไปดึงไปหลากไปหนึเรามีความแกดเป็นธรรมดาเท่ากับแฝดอะไอยู่เลยว่าโ้นคือมันแกสุดลุบสุดลุบไปตลอดเวลาเป็นธรรมดาที่งยงตันเไป เข้าหมือว่าหัวมือก็ตามเข้าเจ็จไผ่เดชยู่กะตามาตาม้อนสนุกสนานเคลื่อนยู่งก็ตามเด้ตัวกระแจ่ตลาดตลาดไปทนงตะก้วยเขาบุพจพินละหน้าัสนแล้วเัววอลเนี้ยโนี่หนมาก็ไ่ได้คิดเนี่ยบุพเพินละหน้าจะ เ, จ เ, าาเลกลือดเดชโดนโดนเำ้ า, า, าวอลไอ้ซ้อมมึงเลยนะเ่นทัวจ ด, ด, โ ด, ด ต้อมบนสะพักในนาหรืไปตั้งใจต้อมดีกว่าเขามีข้อมีข้อมปวยสัดเยด็นอาลหมือมันจะปว ย, ยร้ายอ้ลหมู่ปวยน้อยอาลหมูอว่าบบปวยหน่อย้อมมันก็ขัดเป็นปวยไม่หันละเนี่ ย, อ, ย, ยอันเซนวามีความเสบให้เป็นธรรมาดานี่ข้มปวยเป็นธรรมาดาไม่แมนลีหลีดีกว่าเนี่พวน่อยก็ร้าย ทาง้นเป็นหลายหลายคนเอาประยูเอาไว้พรใดต้องออกไปผัวร่องพยาบาลทางล้นผัวร่องพยาบาลมันก็บปรยูให้เลือไปหอดวางเมียนไม่หลดเนตานี้มันเป็นธรมรมดาอยู่ไลยมันแก่ไปหลาไปเผาคว่ำเผาคว่ำเคยหรือไม่ยู่งเป็นธรมรมดา เราไปที่นี่ส้มสายอยีเล็กสมสายนึ่งขาน่วงหูน่วงายู่เป็นธรรมดาข้า ย, ยู่หัละวันนี้จะเครือส้มตายลนไะปเล็กมุก่งขาเห็นไหมเท่าไปขามูข่าพวก น, น, น, นั้ น, น, น, นมันลนแนลนีตั้งหัวมันสอบขวาเป็น้มแดงส้มเขียวส้มขาอยู่คนหนึ่งวันนี้จะเครือเล็กขายู่หันเล็กแเ่ที่เปานหน้าก็ได้ ลม้มนนี้มันเป็นของที่สิเลพอเรเทนซูฟูซูฟ้นอย่างเงี้ยซ่อมนะครับซือซ่อมดีๆอยลางไม่ได้สงบเนี่ยจะได้เฉพาะไม่ได้ส่บแต่ได้ใกรณีเป็นอยู่แล้วเมืนอกระดิ่งเกียมโตได้เนี่ยพิันหู้หุจ็คหู้หุบสิล้มนี่แหละแคลเซียมัวดีๆแล้วล้มไม่ก็ว่ดเจ็ทอะรเช่ตอตอยเชื่อนั่นมันนั้นเชื่อนั่นมันนี่ลมล้มแล้วก็พอเจ็อย่างี ขึ่นเป็นการเปลี่ยนโซแต่ว่าแน่นอนแล้วที่ต้องไล้ลมลงกหนี้เอฉันใั้หุ่นดักอยู่เนี่เขาเปลี่ยนโซไวได้คือเป็นว่าคนภาคเนี่ยไม่แรงใจหอดะไม่มีขาดตึดตลุกหนักติดจกไติดเลือกเลื่องกนเขาซือะไรอันนี้เขาว่าตอว่าหน้าเนี่ยจำเป็นว่ามหัศเครืมอหัดบินไว้แมันแรนใจหอดยางใจหอดเาหันงหนาฟ้ากัน ผู้หนึ่งก็ตบปุ๊บตบเอฟลงไปตายของแอ่เงี so ้ยเข้าไปดิเซินไปยินไปนัเต็นแง่เงี้ยเต้นไปควมได้ันเต็งขวมไปยุ่ฟังคุณได้แล้วมันปลอดไข้ได้กว่าคนจะไข้ท้่งหลเดี๋ยวพิจารณาอีกเด้อ้ต่ เมื geht es, geht osos, cabo, ้มวนยกินได้เข่าเกินกินเข่าของข้าวโลกจนว่าเมื่อไ่เราประโน์เพราะใได้หาสีดินขีดรองห้ากัดห้ากิ้นหาเงินห้าต้องยองคนมือหนุ่มมือเศร้ามือว่องตะคุนใ่โตแล้วเรไปยืนนี่ละนี่เจ้าของเคยหนีเขาเยหนี พี่แกลกเด็กลูกคนไหนนี่สักคนงอกว่าโอ้ยอยูดอกคุณเยอะกันแต่เรืตาตายแล้วให้บ้านเดียวกัน น, กนั่นแหละลูกกัลนั่มันบอยูเนี่ยมันเอาไปกินพวกน่ะปะะีศาเขาเาไปจุม่ ม, มนเมละ่ะว่ให้เหลือเขาเอาไปขิงเขามอยูน้ำดอกในห้องยาสีฟันเก่งว่าสมบัติรับควย